งั้นผลของการปฏิบัติเราพ้ทุกเบื้องต้นพ้นทุกขทางใจนะเหลือแต่ทางกายสุดท้ายก็ไม่มีทั้งกายทั้งใจมีแต่าธาตุอั น, นมีาธาตุรู้าธาตุดินาธาตุน้ําธาตุไฟาธาตุลมอากาศาธาตุโลกาธาตุธาตุมันทรงตัวอยู่แต่ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขา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 แค่คิดก็คิดไม่ออกแล้ว <c oughs> ของเราตอนนี้เรารู้สึกไหมมันแยกได้คนทั่วทั่วไปนะมันไม่แยกคนทั่วทั่วไปมันรวมเป็นอันเดียวกันรวมเป็นตัวกูเรามาหัดภาวนานะหัดภาวนาใหม่ๆช่วงหนึ่งยังไม่จบจิตรู้สึกมันแยกกันขันมันแยกออกไปใจที่รู้มอยู่อย่างนี้พอปล่อยวางจิตออกไปได้เลยนะ ทั้งหมดนี้เป็นธรรมชาติอันเดียวกันหมดเลยจิตกับสิ่งที่แวดล้อมอยู่จิตกับวัตถุจิตกับทุกสิ่งที่แวดล้อมอยู่เนี่ยกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันอยู่นะั่นหลงปูดุลเคยสอนบอกว่าผู้ใดเห็นะนว่าจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันนัจะถึงที่สุดเลยนะมันคล้ายๆนิทานเซ น, นะที่บอกว่าคนที่ไม่ภาวนานะเห็นภูเขาเป็นภูเขาเห็นต้นไม้เป็นต้นไม้ไมใช่ไหมเห็นแม่น้ําเป็นแม่น้ํำพอภาวนาแล้วภูเขาไม่ใช่ภูเขา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 อย่างคุณมาลีก็เห็นแลเห็นเยอะแยะไปเลยแบไม่ยอมเรสปอน์ตามวัฒนธรรมไทยนิ่งไว้ก่อนงั้เราจะเห็นอมันความเป็นตัวตนนะ่จริงๆไม่มีเมื่อไรหลงคิดนะความเป็นตัวตนก็มีขึ้นแต่ว่าพอเห็นตรงนี้นะว่าตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีเห็นเป็นคลาวล์นีย่ยังยอมรับไม่ได้บางคนพอเห็นตรงนี้นะเกิดความรู้สึก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 เด่กบางคนพาวนามาถึงจุด น, นี้นะให้ดูต่อไปอย่าเ ล, <ง>ลิกโงวงโงวงรู้ว่าโงงหงงเบื่อรู้ว่าเบื่อกลัวรู้ว่ากลัวลุ่มลูกเดียว<ป> <ๆ S 2> เลยรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยเรืยต่อไปปัญญ <ๆ S 1> ามันแก่รอบขึ้นมามันค่อยยอมรับความจริงได้มากขึ้นมากขึ้นยอมรับความจริงว่าจริงๆเราไม่มีหรอกผู <Stream ing> ้ที่ยอมรับความจริงได้คือพระโสดาบัน <S <S ตอนนี้พวกเราหลายคนที่เริ่มเห็นแล้วว่าตัวเราไม่มีตัวเราปุดขึ้นเป็นคราว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 แก๊สไม่ได้หายไปใช่ไหมแก๊สกระจายออกไปจิตที่ปราศจากการห่อหุ้มแล้วนี่ไม่ได้หายไปนะแต่กระจายออกไปกว้างกวางไร ข, ขอบไรเขตชื่อวิมาริยาทิกัตตาจิตชื่อยาวยาวมีมีกัดกัดด้วยต้องต้องออกเสียงให้ถูกเพราั้นเดี๋ยวอาจารย์กฤิท่านทวงถ้ <c oughs> <c oughs> เราฝึกนะเราฝึกรู้สึกกายรู้สึกใจฝึกไปเรื่อยเราจะค่อยๆพัฒนาเห็นสะิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมากขึ้นมากขึ้น